ตปัจจัยเป็นต้นสองสหสภาวธรรมที่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามวจรโดยปุเรชาตตปัจจัยมีสองอย่างผืออรารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอรารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุขะทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมิัะจึงเกิดขึ้นรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญ ญ, ญาณ โพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณวัตถุบุเรชาตะได้แก่จากกายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกามวจรโดยบุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรโดยบุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณบุเรชาตะ และวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุวัตถุปุเรชาตะได้แก่คาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นกลามาวจรโดยปุเรชาตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยอาเศวณะปัจจัยมีสามวาระกรร ม, มปัจจัยเป็นต้นสองสห ส, จจสภาวธรรมที่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและนาน า, นาคณิกะยอ่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป<ๆ>็นกามวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและนาน า, น า, นาคณิกะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป <ๆ cabbage S 1> ็นกามวจร โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคเนกะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกรรมวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกรรมวจรและไม่เ <hacia> ป <Sai> ็นกรรมวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะย่อเป็นปัจจัยโดยวิปากะปัจจัยมีสีวาระเป็นปัจ <coast> จัยโดยอาหารปัจจัย <fish> มีสีวาระ เป็นปัจจัยโดยอินทริย์ปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคธาปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยสองสภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสามอย่างคือชาชาตะบุเรชาตะและปัจฉาชาตะ ย่อสภาวะธรรมที่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกามวจรโดยวิบิยุติปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ย่อในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นกามวจรโดยวิบิยุติปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นกามวจรโดยวิบิยุติปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกลามวจรโดยว ouais, ิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่คราีนิที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัย อธิปัจัยเป็นต้นสอง้ยสิบปดสภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรโดยอธิปัจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะย่อสภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกลางมวจรโดยอธิปัจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะ สหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นกามวจรโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยทิปจักขุเหมือนกับปุเรชาตะปัจจัยสภาวะธร ร, ร, รรมที่ไม่เป็นกามวจ ร, ปรเป็นปัจจัยแก่สภ า, าวะธรรมที่ไม่เป็นกามวจรโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวปุสหชาตะย่อสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกามวจร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามวจรโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือชาตะและปัจฉาชาตะเหมือนกับวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามวจรและที่ไม่เป็นกามวจรโดยอธิปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระสองรสภาวธรรมที่เป็นกามวจรและที่ไม่เป็นกามวจร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามวจรโดยอัติปัจจัยมีสอย่างคือสหชาติตาปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาติตาได้แก่คันที่ไม่เป็นกลามวจรและมหาภูต ร, รูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอัติปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะไดแ้แก่คันที่ไม่เป็นกลามวจรและโกเลงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัย ปัจจัชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกลามวจรในรูปปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตรารูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกลามวจรและที่ไม่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นกลามวจรและหาทิวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัย และถึงขันธ์สองในปฏิสนธิขณะเป็นปัจจัยโดยนติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตาปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตาปัจใจหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังพยาวาระสุทนัยสองรอยี่สิบเฮตุปัจใจมีสี่วาระอรมาณปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจใจมีสี่วาระอนันตระปัจใจมีสี่วาระ สมน e pues e ันตระปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิจยปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิจยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาิเษวะนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีสี่วาระอหารัปปัจจัยมีสี่วาระ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 สภาวธรรมที่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกลามวจรโดยอรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนินสยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยกรรมปัจจัยอหารัปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรโดยอรมณปัจจัยสหชาติปัจจัย ปุรนิเสยปัจจัยและปุเรชาติปัจจัย22งสภาวธรรมที่ไม่เป ada, AH iana, ็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปานิเสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามวจรโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปานิเสยปัจจัย ปัจฉ ช, ชาตะปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกรรมวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกรรมวจรและที่ไม่เป็นกามวจรโดยชาชาตะปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกรรมวจรและที่ไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกรรมวจรโดยชาชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกลางมวจรและที no ่ไม่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรโดยชนาตาปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย 2. ปัจจยปัจญญาสองสำคยาวาระสุทไนสอยยี่สณเหตุปัจจัยมีเจดวาระณอารมณปัจจัยมีเจดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระ ณอนันตรปัจจ hmm. ัยมีเจดวาระณสมมันตระปัจ oh. จัย e, ม so ีเจดวาระณจหชาตะปัจจัยมีหวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระณนิสียปัจจัยมีหกวาระณอุปาณิสียปัจจัยมีเจดวาระณปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระละถึงณสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนอัติปัจจัยมีห้าวาระ โนนัตถ์ปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระโนอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสปัจญานุโลมปัจญียะสองร้อยยี่สณอารมณะปัจใจขเภตุปัจใจมีสี่วาระณอธิปติปัจใจมีสี่วาระณอนันตระปัจใจมีสี่วาระณจำมันันตระปัจใจมีสี่วาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระ นอุปาเนจียาปัจใจมีสี่วาระละถึงนสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจใจมีสี่วาระโนวิคตาปัจใจมีสี่วาระสปัจยยะปัจญิยานุโลมสองอยสห้าอารมณปัจจัยกับนาเหตุุปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจใจมีสี่วาระพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกา ละถึงอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระกามาวัจระทุกะจบเก้าสิบสี่รูปาวัจระทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระ เหตุปัจจัยสองร้สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูป อ, อ ừ, าศัยขันที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที네่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสองรอยี่สิเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจร อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นรูปปาวจรเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นรูปปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ ขัน ท, enfin ที่เป็นรูปาวจรอาศัยฮทไยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นรูปาวจรอาศัยฮทไยวัตถุเกิดขึ้นประตัทราลูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นสองอยี่สิบปด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 จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นรูปาวจรและอาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกัตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นรูปาวจรและอาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นรูปาวจร และอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองกระ ต, ตารูปอ า, าศัยขันที่เป็นรูปาวจรและอาศัยมหาภพธรูปเกิดขึ้นยอ่อหนึ่งปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนัย2ีสเเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปฏปิปัจจัยมีห้าวาระอ น, นันตรปัจจัยมีสี่วาระ สมณันตระปัจจัย uh, มีสวาระสหชาตะปัจจัยม <Việt> ีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจ <ah <buzzer Hopkins dolls> ัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเก <Pass> ้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอสิวะณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระมหาราปัจจัยมีเก้าวาระเอ็นตรียะปัจจัยมีเก้าวาระ ชาณปัจจัยมีเก้าวาระมัคค ป, ปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจใจมีสี่วาระวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอาธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมี่วาระวิคตะปะจัจใจมีสี่วาระอวิคตะปัจจัยมี่วาระ 2. ปัจยยะปัจญิยะ 1. วิพังขวาระนัะเหตุปัจจัยและนะอา ร, รมณปัจจัย สองสสสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรเกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นรูปราวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็ น, นเหตุตุกะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้น และถึงอาศัยมหาภูตารูปหนึ่งเพื่เพิ่มข้อความเช่นถึงอาศัยสัตยพรมโมหะที่สหรคต ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่สะหรคต ด, ด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรคต ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคต ด, ด้วยอุทจจะเกิดขึ้นละถึงเพราะณะอารมณปัจจัยมีสามวาระณนะอธิ ป, ปติปัจจัยเป็นต้นสองรสาอดสภาวะธรรมที่เป็นรูปาวจร อาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะหนอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นรูปาวจรอาศัยขันที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นรูปาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะนอธิปฏิปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิปากซึ่งเป็นรูปาวจรเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปว า, า, าวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งเป็นรูปาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะนาักปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทนานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองมีสามวาระทุกกะนี้เหมือนกับนากามาวจารปรจิตจวาระไม่มีข้อแตกต่างกันในที่นี้เพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมด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 เพราะอน้าิปติปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นวิบากซึ่งเป็นปรูปาวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นรูปราวจรและที่ไม่เป็นรูปราวจร อ, อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นรูปราวจรและที่ไม่เป็นรูปราวจรเกิดขึ้นเพราะหน้าิ ป, ป, ปติปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นรูปราวจรและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองประตัทตารูปอาศัยขันที่เป็นรูปราวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นและถึงเพราะณอนันตรปัปปใจและถึงเพราะณอุปนิสยปัจจัยณปเรชาตปปใจัยเป็นต้นสองสาสาสภาวะธรรมที่เป็นรูปราวจร อาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ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 ในอรูปราวจรภูมิขัน 3, สามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปราวจรเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นรูปราวจรเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาญญศัยสัตตพรมพึงเพิ่มห้าวาระนอกนี้ด้วยพึงทําไปตามอนุโลมละถึงเพราะณนะปชชาตะปัจจัยมีกลวาระ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 จิต am, <t arnos> จตสมุทานรูปอาศัยขันที่เป็นรูปปาวจรเกิดขึ้นและถึงในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นรูปปาวจรและที่ไม่เป็นรูปปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปปาวจรเกิดขึ้นเพราะน่าอาศัยวัณปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นรูปปาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะ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 เพราะณสัมปยุตตปัจจัยสามสหสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรเกิดขึ้นเพราะณพิพยุตตะปัจจัยได้แก่ในรูปราวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปราวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาศัยสัตยพรม ย่อสปัจยยปัจญิยะสอ ง, ส, องสังคยาวาระสุทไนัยสามสิบหนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวา ร, าระนรัอรามณปัจจัยมีสามวาระนัอธทปติปัจจัยมีเก้าวาระนัอนันตระปัจจัยมีสามวาระนัสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนัอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนัอุปาเนสยปัจจัยมีสามวาระ นาภเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนาปชาชาตปัจจัยมีหวาระนาอเจวนปัจจัยมีห้าวาระนกรมมปัจจัยมีสองวาระนวิภากปัจจัยมี5วาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจ <|so|> ัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมข้าปัจจัยมีหน vale ึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ โนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสหชาตะวาระพึงทำอย่างนี้เก้าสิบสี่รูปาวัจระทุกะสามปัจญญวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจสองร้อยสา7สิบเจ็ สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยมีสามวาระเหมือนขปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามและทิตตสโมทานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสอง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 ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นรูปาวจรธรรมธาตุวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสัมมุทฐานรูปธรรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสอง้อสามสิบแปสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 และทำอหารภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะยอ่อหนึ่งปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสองสาสิบเก้าเฮตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณะปัจใจมีสี่วาระอาทิปติปัจใจมีเก้าวาระอนันตระปัจใจมีสี่วาระสมณันตระปัจใจมีสี่วาระสหาชาติปัจจัยมีเก้าวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปานิสยปัจใจมีสี่วาระปุเรชาตปัจใจมีสี่วาระหาเสวนปัจใจมีสี่วาระกรมมปัจจัยมีเ้าวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีเ้าวาระ 2. ปัจยะปัจจะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจจัอง้ยสี่ส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 กายวิญญาณทำกายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นรูปอาวจรธทำอหไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรักโด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรักโขดด้วยอุททะจะทำขันธ์ที่สหรักโขดด้วยวิจิกิจฉาที่สหรักโขดด้วยอุททะจะและทำอหไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นย่อณอธิปฏิปัจจัยสี่สเอด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 ทำอัตไธววัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปรำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสองสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรมขันธ์ที่เป็นรูปาวจรและธรรมอัตไธววัตถุ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นรูปาวจรและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณนะขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นรูปาวจรและธรรมะไทยวัตถุ u, ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรทำสภาวะธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจร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 ซึ่งเป็นรูปราวจรและธรรมไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงธรรมขันธ์สองจิตตสมุทนานรูปธรรมขันธ์ที่เป็นวิปากซึ่งเป็นรูปราวจรและธรรมมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะยอ่อสองปัจจะยปัจจนิยะสองสังคยาวาระสุทไนส้อยสี่สสนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอารมณะปัจจัยมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยมีก้าวาระนะอนันตระปัจจัยมีสามวาระละถึงนะอุปนิเสยปัจจัยมีสามวาระนาะปุเรชาตปัจัยมีก้าวาระนาะปชัชชาตปัจัยมี9ก้าวาระนะอเสวนะปัจจัยมีเก้าวาระในอรูปล้วนๆและอรูปที่เกิดรกนกันพึงกำหนดว่าเป็นวิบาก นกรรมปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชาญปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมบัญญัติปัจจัยมีสาวาระนักวิปยุติปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระ การนับสองอย่างนอกนี้และนิจยะวาระพึงทําอย่างนี้๙๔รูปาวจระทุกระ๕สังสัตถาวาระ๑ปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย๒๔๔สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดรักคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นรูปาวจร ละถึงเกิดร yeah ah mm no. ักคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดรกคนกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเพราะเหตุุปปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นรูปาวจรละถึงเกิดรกคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะเหตุุปปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระ อวิคตตปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดรกคนรกลบสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเพราะนะเหตุตปัจจัยย่อหนะเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าทิปฏิปัจจัยมีสองวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระหนาอาเซวณปัจจัยมีสองวาระ นกรรมะปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระนัฌานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจัยมีหนึ่งวาระปัจจ尼ยะจบการนับสองอย่างนอกนี้และจำปยุตตวาระพึงทำอย่างนี้